เรานอนหลับอยู่ตื่นขึ้นมาแล้วเหม็นปากนำลางหน้าชำระก็เหมือนคนที่ตายแล้ว เ, เ, ขเขาเขาทำก็อาบน้ำศพแล้วก็เปลี่ยนผ้าใหม่แต่ก่อนนี้เขาอาบน้ำศพเขาก็ใส่ เอากระดุมไว้ข้างล่างนี่เขาเรียกว่ากลับชาติฤดูนี้มันกลับชาติาตั้งก็ยังไม่ตา ย, ยานะนะใส่เสื้อมันก็เอากระดุมไว้ข้างล่างยังไม่มีขุนเห็นของจริงนะเขาก็นุ่งผ้าเอาพกตัวข้างล่าง นคนตะก่อนเขาทำถูกตะคุณนี้เดี๋ยวนี้เขาทำเขาทำชักโกดทำยันกับความตายเว้นแต่ไม่เห็นความตายมีตะคุณรันรันทั้งนั้น ยันถึความตายผมงอก <c oughs> ก็กลบเกลือนซะเอาสีมะยมามมะถาซะผมก็ดำผมชวนเข้าวัดแล้ว งอกข่าวแล้วก็ยังใจยังอยากเป็นสาวโกรเกลื่อนยอมเสดดํานี่ขอว่ารันก็ความแก่รันก็ความเจ็บรันก็ความตายคนนย่งนี้กรกเกลื่อนไม่รู้ทุกเลย ไม่เห็นทุกข์เลยแลว้วกรรมฐ า, านจะเกิดได้ยังไงกรรามฐ า, านก็ไม่เกิดกับคนพวกนี้หรอกไม่รู้ความเป็นจริงไม่รู้ทัศนะของเขาทำไว้ให้ดู จึงเรียกว่าไม่เห็นคุณตายคุณเนี้นะ่พอเขาตายมับรองให้ก็เดี๋ยวเขาก็คิดหาใหมา่แบบยังนี้จะรู้จักความตายอย่าน ไ, ได้ให้เห็นจะร้อยครั้งความครั้งก็เราก็ยังไม่ตาย พระพระพุทธเจ้ายังไม่เกิดที่ใจพระธรรมยังไม่เกิดที่ใจพระอริยส่งยังไม่เกิดที่ใจถ้ามาเกิดที่ใจเราจริงเห็นจริงเรียกว่ากุศลธรรมะ ก็ขอลากิเลสตัณหาทั้งหลายดับหมดจึงเรียกว่าโอนไปสู่แดนของพระอริยะได้แล้ว พรโสดาบันรู้เห็นความตายอยู่ทุกขณะสิ่งที่ชั่วช่วแล้วก็ทำไม่ได้เลยที่พระองค์แนะนำอย่างนี้อาถินาก็รักกระโจไม่ได้หลอกลวงไม่ได้ ตามีก็ผิดลูกเขาเมียเขาไม่ได้หมสาโกหกไม่ได้ที่เดิมจุราก็เป็นบาตโจดาก็เดิมไม่ได้ นี่แหละพระโสดาปฏิมคโสดาปฏิพุ่ก็เกิดขึ้นไม่งั้นเราจะมานั่งกรรมาฐานให้หลังคตหลังแข็งอยู่ทำไม เป็นมหาอุซพ้นจากความแก่ผลจากความเจ็บพ้นจากความตายพระเรียะโซดาปฏิมาโสดาปฏิพลที่โอนชาติผสมแดนของพระเรียะนั่นแหละเรียกว่าโคตรภูยานก็ว่ายานมีความรู้ขอให้สั่น ดวงตาเห็นธรรมฟังธรรมแล้วขอให้มีปิติความเอิบอินใจเราสะได้ว่าพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจพระธรรมอยู่ที่ใจพระอริยส่งอยู่ที่ใจก็จะเจริญขึ้นในตัวเราของเราเป็นบุญเป็นกุศลของเราแล้ว คนขี้เกียจเกิดมาได้อะไรคนขี้เกียจจะเอาอะไรมาได้ก็เอาเกียจนอนนอนก็ไม่อ่งางก็หลับไปหลับมาไม่มีปัญญาเลย ทีสันี้ก็นอนก็ได้บุญก็ภาวนาตื่นขึ้นมาก็ภาวนาก็ได้บุญนอนก็ได้บุญนอนก็ไปสวรรค์นอนก็ไปนิพพานกิเลสมันก็จะดับก็จะดับได้ สุกแกลายถุกไอ้สุขที่กลายถุกไม่ค่อยเอาแล้วก็ตายเดี๋ยวก็จะไปเป็นสตาานัตว์ในร่างนอนมากก็ราคะก็มากตืก่นขึกนมาก็มีทโทสะอีกก็ไม่รู้ ก็มีรักมีชังงล้นมันก็จะคนทุกข์อะไรก็ตกอยู่ในความไม่เที่ยงไม่เที่ยงจะเป็นมนุษย์จะเป็นสตัตว์ดิาติก็ได้เป็นปูเป็นปลาก็ได้เป็นปลาก็มีลูกก็มาก ทำไมงานยังไม่ถามเขาพ้นไม่คิดอย่างนี้มึงถ้าคิดอย่างนี้มันก็ก็จะจุดใส่ดุกมาอาตมาเห็นคนทําผิดผิดต่อจิตธรรมไม่รู้หรอก ทำสุขสร้างไปด้วยนะเขาก้มหน้าไปสู่ทุกข์แน่นอนเราจะไปโกรธทำไมละ่ะทำมก็ไม่อยากโกรธนะก็เห็นพวกกันไปสู่ทุกข์แล้วเขาก้มหน้าไปสู่ทุกข์แล้วเราจะต้องไปเพิ่มเติมมาล้วยเขาอีก ถ้าหากว่าเราไปเพิ่มเติมให้เราก็ตะไปรู้ธรรมพินธ์ธรรมไงล่ะถ้าเราไปเพิ่มเติมเราก็ต้องไปกระเขาว้วยอยู่ที่สิ่งเดี๋ยวเขาเขาตอบเขายาเอานกเขาก็หานกนี่แหละไปตอบเขาอยากได้นกข่าเอานกเขาไปตอบก็คมนมีบาปแล้ว เขาจะต่อเอาเราไปสู่ทุกข์แล้วก็เราจะไปทำไมก็ควรจะสงสารเขาสดีกว่าไม่ต้องไปเพิ่มไปเติมเขามันไปเองอยู่แล้วเขามันปิดสิ่งทำอยู่แล้วเราเร่วงอะไรจะไปก็เขา้า เราก็สุงสารก็ไม่ดีกว่าจะไปโกรธกันทำไมที่ว่าที่เราว่าตะกี้สับเพสซาซานะมันยังไม่จริงหรอกพวกเราว่าพยายามทำให้มันจริงเนี่ยวาตะปะาพักมัด แรงบ่าเขาต้องน้อยก็พึ่งไปแล้วมันจะมาเห็นห อ, อะไรอ้าวเท่านี้แล้วพอข อ, ขอจงเจริญเจริญสาธุสาธุสาธุดีแล้ว มาประชุมพร้อมกันในที่นี้เมื่อก่อนจะทำก็พร้อมกันทำเวลาจะเลิกเราก็เลิกกันทำเลิกพร้อมๆกันอันนี้แหละเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าของเราบุญมารมีธรรม ท, ที่เราจะได้ สะสมไว้ที่ในใจครูบาอาจารย์สอนวอิญญาณควรจะทำตามจริงก็เรียกสุวโจวเป็นผู้ว่าง่ายสอนง่ายสอนแล้วก็ทำตามอย่างนี้จึงจะเหมาะสมสุวโจวเป็นผู้ว่าง่ายสอนง่าย สอนแล้วก็ทำตามอย่างนี้จึงเรียกว่าสิทธิ์ที่ดีที่เหมาะสมในการไม่ต้องให้ครูบาอาจารย์ที่หนักใจเพราะเป็นเครื่องสบายกายสบายใจมือครู่าง่ายสอนง่ายธรรมะก็จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน เพราะบุญกุศลอยู่การกระทาสติสมถัญญะความรู้ตัวอยู่บางทีเราทำไม่ถูกต้องคำจอดของพระพุทธเจ้าก็ได้เพราะเราไม่ทำตามคิดนึกเอาเองไม่ไม่ละลึกถึงว่าพระองค์สอนสิทธ ที่จงว่าวันคืนหมบไ ป, ปเปล่าพวกเธอทำอะไรกันอยู่เนี่ยที่สนถามยังมี้แล้วก็พึ่งเราคพิ่งรู้เธอะว่าเราทำอะไรกันอยู่พูดมากนอนมากคุยกันมากโกรธกันมากนี่ ยังนี้ไม่ใช่คำสอนของพระพุทธเจ้าคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านบอกให้มีเพียร ม, มีมันให้มากเท่าไรยิ่งดีความโกรธนั่นแหละเป็นกิจของการบ้านควรจะต้องทำการบ้านไว้ดีทีนี้เมื่อ นั่นนี้เราควรทาที่พระองค์แนะนำรู้สั่งสอนไว้เราก็ควรทมแล้วก็โลกปดลงเนี่ยมันติเตียนคณโนนติเตียนคนนี้นั่นแหละหเที่ยทีประโยชน์ไม่ไม่มีประโยชน์อะไรเลย เพราะไม่ถูกคําสอนของพระพุทธเจ้าสิ่งอะไรมีกำเริบสิ่งนั้นแหละไม่ใช่คําสอนของพระพุทธเจ้าสิ่งอะไรไม่กําเริบสิ่งนั้นแหละเป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าเราเรามาบวชปฏิบัติกลัวจะไปนรกกลัวจะไปปิเปรต กลัวจะไปเป็นจัเดรัชานแล้วที่คนไม่รู้ทำเห็นทำแล้วก็เห็นสิ่งเหล่านี้แล้วมันไม่น่ากลัวรผู้รู้ทำเห็นทำทำแล้วก็เห็นสิ่งเหล่านี้แล้วมันน่ากลัวเห็นแล้วก็มาดิพิจน า, นาเลยมามันอยู่ข้างๆถาง มันอดข้าวอยู่ทุกขณะผนจะแบ่งปันให้ ก, กับมันมั่งยังนี้มันจะดีมากคุณเขาบอกว่าเทวดาพวกเทวดาพวกหนึ่งบอกว่ามนุษย์นี่ จำขึ้นมาอยู่บนเทวโลกสมบัติมากมายเหลือเกินท้าวสะกะเทวราชแปลงตัวมาเป็นขุมน้อยลนนึ่งผ้าขาดกรุุ่งกาะริ่งไม่น่าไมน่าจะมองดู ทำเป็นแผลทั้งตัวทีนี้ก็ไม่เห็นเท้าสกะเทวราก็บ่วนน้ำหลายมั่งไม่อยากดูมั่งเพราะเกลียดเกลียดเพราะไม่น่าปรารถนาคนชาวโลกทีนี้เท้าสกะก็ขึ้นไป ที่เธอพูดนะํะไม่จริงแลวนะที่ขึ้นมาบนนะี้น้อยไม่คยมีเลยน้อยอนี่ก็นำมาจากครูบาอาจารย์เทศฟังแล้วเราก็ก็จะปฏิบัติตาม ไม่เหยียบย้ำไม่แนะ่ไม่แตะต้องคนที่เขาพิกลพิการเราควรจะช่วยเหลื อ, อยังไงได้ก็ช่วยเหลือพี่ศุด้วยการที่ราภารเราก็น่าจะมองดูถ้านักจะไปจะไปสวรรค์จะไปนิพพานกันจริ ง, รงเราก็ต้องควรดู ควรให้นั่นแหละจึงเรียกว่าเป็นผู้นำมาซึ่งความสุขมีผมมวิหารสี่จึงจะททำได้บุคคลเห็นแล้วไม่ได้ปลงอนิจังเห็นแล้วก็ไม่ มีแต่ผู้สบัดหน้านี่ไม่อยากมองดูไม่อยากพิจรารณาแล้วที่นี่ก็ที่นี่ประหลาดจะแตกดับแล้วก็ก็ยัง น, นำไปซึ่งความทุกข์คติคงยันกนกว่าเห็นคนไม่ดีคนเจ็บไข้ ผลแก่ควรเจ้าช่วยอุปการะเราก็จะต้องแก่เราก็จะต้องปิดเราก็จะต้องตายต้ององ อ, อ้อมอารีซึ่งมีเมตตากรุณาพยายามจะช่วยให้ตนตกมุติตาจะทำให้ดียิ่งๆช่วยอุปการะ อย่างนี้คงจะไม่แกล้วสวรรค์และนิพพานคงจะรู้ได้ที่นี้เมื่อเราไม่สนใจแล้วท่ไหนจะรู้ได้เพราะเราไม่รู้ธรรมะเราไม่เห็นธรรมะแล้วจะรู้ได้เห็นได้ยังไง จะรู้จักท่านได้ยังไงเพราะเราก็รู้และเราก็เห็นในท่านก็กล่าวมาและเราก็พึงจะรู้ได้พึงจะเห็นตามได้จะรู้ตามเห็นตามก็อาศัยต้องปฏิบัติจะปฏิบัติประเดี๋ยวเดียวนรู้อยากเห็นโนอยากเห็นนี่ แล้วที่ไหนเลยจะรู้ได้ที่สอนไว้เนี่ยรู้เฉยรู้เฉยเราก็สามารถจะรู้ทมเหธรทมได้เพราะมันตัดความอยากตัดความ อยากเห็นอยากรู้วิ่งแต่ไม่คอยทำไม่อยากทำล้วจะเอาอะไรมารู้จะเอาอะไรมาเห็นอยากรู้อยากเห็นและเราก็ต้องปฏิบัติให้มันมากขึ้นนั่งนอนเดินจงกลม นั่ก็สามารถก็จะรู้เห็นตามที่ครูบาอาจารย์บอกได้ที่นี้เมื่อเราอยากรู้อยากเห็นก็มีเพียรมีมันให้มากท่านสอนมาอยังไรเราก็ทาตามนี่ไม่ทำตามแล้วอยากรู้อยากเห็นกระเดี่ยวก็ขี้เกียจแล้วขี้ค้านแล้ว ไม่ผลอยากในวรรคห้าเราที่ไหนจะรู้ทำเห็นธรรมของพระองค์ได้มันต้องมีเพียนมีมันถึงจะควรจะรู้ควรจะเห็นได้ก็ต้องรู้ที่ว่าตัวเองมีขี้เกียจหรือไม่อยากทำแล้วก็อยากรู้แล้วก็อยากเห็น แล้วจะเป็นไปได้เลยล้วจะเป็นไปได้เลยธรรมะเป็นผู้เจริญเชิดชูใจเจ้าของไม่ทำดีไม่เจริญดีไม่ภาวนาดีแล้วก็กระยานพูดเรื่องโน้นเรื่องนี้ แล้วจะเอาอะไรมารู้สมมได้คนต้องสนใจครูบาอาจารย์แนะนำว่าอย่างไรเราก็ทำตามสิคงจะต้องรู้ต้องเห็นอย่างแน่นอนนี่ครูบาอาจารย์ไหาอย่างนี้คิดไปซะอย่างอื่นแล้วจะเอาอะไรไมาเห็นได้ ก็บอกว่าเปลี่ยนขึ้นรถา ม, มไม่นอนไม่ตายหรอกนี่เราก็เชื่อถ้าไม่เชื่อจะไปรู้เห็นได้ยังไงหนุงพ่อันาเนี่ยมีความรู้มากเห็นมากเลกชาติได้ก็พระท่านมีฌาน ท่านก็จะระลึกชาติได้เพราะเราไม่มีอะไรจะมีความรู้ได้อย่างไรเราต้องมีมีเพียรมีมันครูบาอาจารย์เนี่ยมานั่งสอนมานั่งแนะนําเพื่ออะไรก็อยากจะให้พวกเราเนี่รู้เหตุบ้าง เราจะได้ไม่ไปเป็นเปรต เ, เราจะได้ไม่ไปเป็นสัตว์เดรัจฉานจะได้ไม่ไปนรกนะสามทางนี่ยจะไปนะไม่ดีดอกรักษาศีลให้บริสุทธิ์ก็ไม่ก็ปิดอบายภูมิได้แล้วศีลห้าก็ดีศีลแปดก็ดี เทนี้แหละมันก็ไม่ไปนรกแล้วที่เราทำบาปเราก็กลัวบาปแล้วก็ไม่ก็จะผลนทุกได้พอแก้ตัวได้เหมือนนององคุลีมานนะ่ะข่าขนุนเร่ไม่รู้จักว่ า, าไรแล้วมาเจอกับพระองค์แล้วพระองค์แนะนำและสา่งสอนพระองค์ุลีมานก็เป็นพระราหันไปนี่ กอคนลูกชาวบ้านนี่แหละเรื่องของเข้าไม่ขวนเอามานำพามาพูดพูดแต่เรื่องธรรมโมธรรมะของเราดีกว่าจึงจะมีความสุขข้ า, างที่บริสุทธ์นะ คือรักษาสินเจริญเพระกับฐานนั่งภาวนาฐานนี้แหละเป็นทาสทสนสมบูรณ์ที่จไปสวรรค์สมบัติและในผิานสมบัติขวางข้าต้มขนมให้บริโภคตลอดทานแล้วเรายังไม่กล้าไปกริก็จะช่วยได้ ก็แนะนำนี่แหลวนะจะช่วยไม่ได้ก็ไม่รู้จะทำาายังไงเพราะเราไม่สมและท่านก็มันก็หมดปัญญาที่จะแนะนำไปไปเป็นเปรตดแล้วเป็นจดดิจิทัลแล้ว ไปนรกแล้วช่วยไม่ได้เนะช่วยไม่ได้ล่ะถ้าเป็นหมาเป็นไก่เป็นอะไรเนี่ยเราก็พอช่วยมันได้เป็นถ้า่เนี่ยมันไปเป็นขนมาแล้วนะอืมดูนะเนี่ยมันไปเป็นขนมาแล้วนะ มันลำบากตรงนี้ที่ลำบากนี่เพราะอะไรเรื่องกามมาขุมนะเรื่องความยากเสพยากนี่แหละมันเป็นความไม่เที่ยงเป็นอย่างนี้รู้ไว้รู้ไว้ใช่ว่าไม่ตรง ใสบาบไปขามนะนั่งภาวนาไปสวรรค์หน้าโน้นไม่ต้องลําบากลําบนนะพระท่านสอนว่าอย่างไงมันดีแล้วก็เราก็ทําตามก็แล้วกันอยรันนะรันนาไปสทุกนะช่วยได้ก็ช่วยได้กําลังนี้นะนะ อาดร้ังไปแล้วช่วยไม่ได้ถ้าเป็นมหมานี่ยังช่วยกันได้นะเอาข้าวให้มันกินแต่ไอ้พวกหมัดพวกอะไรมันกัดกุมมันสิ้วเราจะไปช่วยมันยังไงล่ะอย่ า, ย า, ามุงไปกลางให้มันก็ไม่ได้อย่าอาบน้ำให้มันก็ไม่ได้มันก็ไม่ยอมไม่อาบเอาน้ำจาดมันก็วิ่งหนี เข้ามาในวัตถุสมคีธรรมวัตถุสมคีธรรมเป็นวัดว่าให้เป็นสมคีธรรมไม่โกรธไม่ฉาลงกันเข้ามาในวัดทุ่งสมคีธรรมเนี่ยถ้าอบุญไม่ได้ก็ได้บาปนะถ้าบุญไม่ได้ก็ได้บาปพราะไม่รู้จะทํำยังไง นี่สเสนอแนะบอกไว้ควรเข้ามาในนี้แล้วควรจะอบุมอีกรรมนะเข้ามาในวัตถุสมคีธรรมวัตทุงสมคีธรรมเป็นวัดว่าให้เป็นสมคีธรรม ไม่โกรธไม่ฉางกันเข้ามาในวัดทุ่งสมเกีธรรมเนี่ยถ้าอบุญไม่ได้ก็ได้บาปนะถ้าบุญไม่ได้ก็ได้บาปนะาาพระไม่รู้จะทำยังไงนี่นเสนอแนะบอกไว้ควรเข้ามาในนี้แล้วควรจะอบุญบาปไม่ควรเอาเลย อัตมาไม่ไม่ซ้มเติมใครเพราะอยากให้คนทุกอย่างเดียวรู้ว่าเขามีทุกข์แล้วเราจะไปซ้มเติมเขาทำไ ม, ไมเราก็โปรดปรานเขาไม่ได้มันก็ต้องเฉยนิ่งเฉยเบิกขาและไม่รู้จักใจกันมั้งหรือ ว่าเราอยู่ใกล้ๆเรือ่องนี้ไม่เห็นใจครูบาอาจารย์บ้างหรือนี่ mm. จะทำให้มันท่านลาบากใจทมไมเราก็พยายามทำความดีท่านก็จะได้ดีใจด้วยเมตตาความรักใคร่กรุณาอยากช่วยลูกสิษย์คนทุกมุทิตา อยากให้ลู้สึกมีความดีอยู่ทุกขน์นะถ้าไม่เกียจที่เกียจที่คร้านแนละ้วก็แล้วก็พระท่านก็ครูบาอาจารย์ก็คงจะปรูกพวกเราได้ถ้ามที่เกียจที่คร้านแนละ้วก็ไม่รู้จะว่ายังไงตามเราก็ว่าไปก็ไม่ดี ไม่ขับมีทุกก็เปล่าแต่เข่าขี้เกียรติไม่ทําไม่สร้างความดีเนี่ยอาตมาก็เห็นก็ไมยู่ว่างไง น, นี่ก็สลดใจกันว่าเขาไม่สร้างความดีถ้าเราเขาไม่สร้างความดีเราก็ทําดีให้เขาดู เวนแต่เขาไม่สร้างแล้วเราจะไปไวอย่างไงมันก็ต้องเฉยถว า, าไปเขาจะไม่ชอบก็เดี๋ยวมันจะปายใหญ่อยู่สิถวาเขาติเตียนเขาแล้วเขาทำตามเราเราก็สบายใจ ถ้าเขาไม่ทำตามอีกแล้วว่าก็เแล้วก็ทำให้เขาลำบากใจแค่เราไม่ว่าสดายกว่าว่ากขาต้องครั้งสรมครั้งแล้วไม่เอาก็จะทำ ง, ง่ายลก็กลัวจะไปเป็นเวเป็นกรรมเลยกลัวจะลำบาก เัวจะไม่ได้ความสบายเอาสุขกลายทุกข์มันจะดีที่ไหนทำสุขให้มันกลทุกข์นั่นและดีกว่าวันนี้ก็คงจะชงมงกว่าแล้วนะ ขออนาคบารมีธรรมที่เราได้บงเพ็ญบุญก็ขอให้มีความสุขกาย ส, สุขใจรักษาตนแล้คนภัยทุกทุกท่านทุกคนขอจงเจริญเจริญ ร, รู้ไงทั้งแต่พูดถึงนั้นหละลุงพ่อตู้ยังไม่เคยฟันเลยวะผูกโยมทีเนี่ย หลวงพ่อเต้หลวงพ่อเต้เสือกหรอวะประสบตาเงี๊ยะพระตูมเชียวหลวงปู่ควันเสือรักหลวงพ่อชาเสืออยู่ด้วยเนี่เสือลุกอ่อนไม่ตาทัานดีเนี่ยแล้วทีนี้ทั้งก็มีความสุขไป กัจะเห็นก็มีความสุขแต่ลงพ่อตูนนี้มองดูตาเสือระตมครกลัวทัดกลัวลูกตานี่เอ้าต่างขนต่างไปที่จํำวัดแล้วก็ตื่นมาแล้วลุกขึ้นเพียนนะไม่ตื่นก็แล้วไป้าตื่นมาก็เพียน เปลียนกรรมฐานนั่นดินั่งสมาธิดินั่งสมาธิให้หัวมันตกนะดูข้างล่างดิคนไม่มีหัวแล้ว <c oughs> ดูลเลยไอ้ฉี่ไม่มีหัวแล้วก้มหน้าดินไม่นั่งแบบห่อยหนาไม่เอาห่อยมันก้มหน้าเดิน คุมนาเย็บแบบพอยหนาวไม่เอานั่งทำกลองให้หัวกลองเงี้เขามาง่างแล้วโอ้มีนักปฏิบัตินั่งมีหัวมีหัวสักข้าวลงข้าวนัำลายไหลเปรี้ยงอกหมดโอ้โหของพระพุทธเจ้าและพระธรรมเจ้า พระสงฆเจ้าตั้งไว้อย่างดีทําให้สงบใช้มองมองดูว่าพระอยู่ที่ใจจริงๆทําใจสบายสบาย ทำความรู้เห็นนั่งสมาธิอยู่กายของเราเป็นพระแหลวใจสงบก็รู้ใจไม่สงบก็รู้ทำความรู้เห็น อยู่ทุกขณะว่าพระอยู่ที่ใจจริงๆแ่ะทําใจให้สบายสบายใจสงบอยู่กว่ารู้ใจไม่สงบกว่ารู้ทําความรู้เห็น อยู่ทุกขณะพูดลมข้าวโทรลมออกกำหนดรู สว่างก็ไม่ว่าไม่สว่างก็ไม่ว่าคำใจรู้เฉยมีสามาธิก็รู้ไม่มีสา ม, มสาธิก็รู้ เรานั่งกายกลงแล้วจะมองดูชัดนั่งกายให้กลมกลมไม่เอียงทางซ้ายไม่เอียงทางขวากาหนดรู้เห็น ใจสบายก็รู้ใจไม่สบายก็รู้ให้มีสติในลมหายใจเข้าให้มีสติในลมหายใจออก มีสติในลมหายใจเข้าให้มีสติในลมหายใจออกเมื่อมีสติในลมหายใจเข้าสติในลมห า, ายใจออกกายอย่าเบากว่็รู้กายไม่เบาวกว่็รู <c oughs> การที่มีสติในลมหายใจเข้ามีสติในลมหายใจออกนีละดีที่สุดเพราะองค์เป็นผู้กระัดสรุปในลมหายใจเข้ามีสติในลมหายใจออกที่เราไม่เคยรู้ก็จะรู้ขึ้น ที่เราไม่เคยเห็นคุยเห็นเป็นเพราะสติดี ให้เบิกบานในลมหายใจเข้าทำใจให้เบิกบานในลมหายใจออกเมื่อเรามีใจเบิกบานอยู่ในลมหายใจเข้าในลมหายใจออก ไม่เคยรู้ก็จะรู้ขึ้นไม่เคยเห็นก็จะต้องเห็นขึ้น สตินิลมหายใจออกแล้วก็จะรู้ชัดว่าเรานั่งกรรมฐานสติก็ดีสติสมาัญญะความรู้ตัวอยู่ทุกขคนมื่อมีสติสมทัญญะความรู้ตัวอยู่ทุกคน สบายก็รู้ไม่สบายก็รู้ทำไม่เห็นสุขเห็นทุกข์เอาเป็นคู่หาบกันขึ้น รู้ทั้งสุขรู้ทั้งทุกข์ทำใจไม่ให้วันวายกายเบากว่าววรู้กายไม่เบากว่าววรู้ ยายามจะให้ก้มนาทำกรรมฐานจะให้ก้มนาถ้าก้มนาในจะไม่มีปัญญาถ้าก้มนาเับาใจสงบอาจจะเห็นหลุมลึกอาจจะ กดใจกระดุงทำใจให้สบายทำใจให้เป็นใบหน้าของเราในลมหาใจเข้าในลมหาใจออกความสว่างมันก็จะเกิดมีขึ้นกณะนักปฏิบัติ มีสติสมัญญาความรู้ตัวอยู่ทุกขณะไม่เอียงซ้ายไม่เอียงขวาจึงเรียกว่าผู้มีสติดี เมื่อนั่งกรรมฐานมีส ต, ติดีแล้วย่อมจะมีความรู้ความเห็นขึ้นทีนี้นักปฏิบัติก็จะมีคาถาแก่กล้าขึ้นก็จะมีเพียรมีหมั่นขึ้นใจก็จะเบิกบานขึ้น ความเง่วงเหงาพอนอนก็จะมีไม่มีขึ้นกันักปฏิบัตินั่งให้กายกรงเมื่อกายนิกลรงดีแล้วสติสมถติญาะก็จะดีขึ้นบางครั้ง มีสติสมัชทัญญ์ดีแล้วจะปรากฏเอียงข้างซ้ายเอียงข้างขวาก็นักปฏิบัติก็จะต้องกำหนดรู้จะเอียงข้างซ้ายเอียงข้างขวาเราก็พยายามลืมตาดู เท้ากายนี้ไม่เอียงใจไม่เอียงขวาพึงรู้เถอะว่าความไม่เที่ยงนี้ผู้นั่งกรรมฐานก็จะต้องรู้ที่มานั่งสมาธิมาเสนอนะ ไว้เพื่อพยายามให้ได้ยินให้ได้ยินครูบาอาจารย์นะจะได้พยายามมีสติสมนิชนญะความรู้ตัวอยู่ทุกขณะเพราะเสียงนี้แหละทำให้ให้สติดีขึ้น เราก็มีสติสัมปชัญยะความรู้ตัวอยู่ทุกขณะมีความรู้มีความเห็นขึ้นศรัทธาวิริยะก็จะมีความเพี่ยนมากขึ้น ความจะได้จะถึงเนี่ยไม่รู้ตัวหรอกขอให้มีเพียนมีมันบูเชะการนิ่งรู้เฉยนี่แหละจะเป็นธรรมที่เกิดรู้ท ร, รได้ดีปฏิปฏิบูชาคุณ พระพุทธเจ้าที่ได้แนะนำช่างสอนพิสุเธอทำอะไรกันอยู่วันคืนหมดไ ป, ปเปล่าๆทำอะไรกันอยู่ทำปฏิปทานทีพระโยคางิพระพรองั์ว่า ดีละเราก็พยายามทำปฏิป ฏ, ปฏิบูชาคุณพระพุทธเจ้าบูชาพระธรรมเจ้าบูชาพระสงฆ์เจ้าที่ท่านเข้าพน้นอิปานไปแล้วนับไม่ชวน เราก็จะปฏิปฏัติบูชาให้มากขึ้นเท่าไรยั่งดีใช้เมาดูไม่เห็นก็กำหนดรูผมผม ขึ้นยูนนังเกสกำหนดรู้เห็นผมผมกำหนดรู้เห็นบนเกสาดำกำหนดรู้เห็นใบหน้าของตนกำหนดรู้เห็น เม่เราก็หนดรู้เห็นอยู่ทุกขนะแฝงถามก็จะแกล้กล้าขึ้นทำเมันว่าเรานั่งอยู่เนี่ยอยู่คนเดียว นั่งให้สบายสบายให้ชมว่าเราปฏิบูชาพระตถาคตเจ้าที่เราว่าพระพุทธเจ้าอยู่ทิใจทําให้เบิกบานใจทําให้ดีใจว่าเราได้ฝึกสมาธิ เมื่อเรารู้ว่าประุทธเจ้าอยู่ที่ใจจริงๆเราก็กำหนดเราก็ทำมือขวาทับมือซ้ายข้าขวาทับข่าซ้ายตั้งขายกรงจรลงสติให้มันมันในคำสอนของประุทธเจ้าขอให้กะระตส้รตาม พระองค์เมื่อเราทำอยู่อย่างนี้นี่แหละก็ถูกต้องในการปฏิบัติบูชาพระองค์อยู่ทุกขณะันมณะสิการอยู่ทุกขณะันทำความรู้เห็นทุกขณะ เราไม่ได้นั่งไม่ได้นั่งในรูเฉยนั่งรูเฉยเห็นก็ไม่ว่าไม่เห็นก็ไม่ว่าทาใจให้สบายสบายจึงจะเหมาะสม นี่แหละที่เรากระทำนั่งอยู่กำหนดคติสมรยะความรู้ตัวนี่แหละเรียกว่าปฏิบัติตามรู้ตามยุคนบาทรทำความรู้เห็นให้มากนึกว่าปฏิบัติตามยุคนบาท ให้ดีใจนักปฏิบัติทํ า, ามีปีติในลมหายใจเข้ามีปีติในลมหายใจออกทําให้ราเริงบันเทิงใจในลมหายใจเข้าให้ร่าเริงบรรเทิใจในลมหายใจออก ก็เราตัง้งใจว่าจะให้สงกทำใจให้สงบเหมือนพระองค์อยู่ที่ใจจริงๆ คนเราต้องเกิดมาแล้วก็ต้องมีความแก่เกิดมาแล้วก็ต้องมีความแก่ความแก่มีแล้วความเก็บไข่ก็ตามเข้ามาความเจ็บไข่ก็ตามเข้ามาเราก็จะรู้ทูก เราก็จะเห็นถูกพระองค์ก็ต้องรู้อย่างนี้และปฏิบัติอย่างนี้และเราก็ปฏิบัติตามตามพระองค์เราก็รู้เห็นขุนแก่เราก็เห็นคุณเจ็บเราก็เห็นคุณตายและพระองค์ก็แนะนําเรา ไม่ให้ประมาทเราก็พยายามทำเสยให้ได้ก่อนให้ได้สมาธิเสียก่อนปัญญาก็จะได้เกิดขึ้นรู้เห็นเราก็เหมาะสมตัวว่าพระองค์พระองค์ไม่ประมาทเราก็พยายามทำตาม พระองค์ก็คงจะทอชอบใจว่าลูกเราไม่ประมากจึงจะพระองค์จึงยาสาทุเมื่อคนเราเรียนทำเองทำแล้วก็ย่อมจะดีใจเหมาะสมก็ว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้มีพรหมวิหารใจ เมตตาความรักใคร่พวกเราอยู่กรุณาช่วยแนะนำและสั่งสอนให้คุณทุกมุติตาเรากำลังทำความดีทา